อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ208 1้ภิกษุเป็นไข้สองภิกษุไม่เป็นไข้ฉันเมื่อเดียว3าภิกษุเดินทางไปหรือมาแล้วแวะฉันสี่ภิกษุที่เจ้าของทานนิมนต์ให้ฉันห้าภิกษุฉันประทหารที่เขาจัดไว้จําเพาะ6กภิกษุฉันประทหารที่เขาไม่ได้จัดไว้อย่างเพียงพอ7จภิกษุฉันประทหารทุกชนิดยกเว้นโภชนะห 8ภิกษุวิกลจริต9ภิกษุต้นบัญญัติอาสวะทะปินทะสิขาบทที่1จก